แต่พระองค์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีใจเป็นเป็นของตนเสร็จแล้วพระองค์ก็ชี้แจงให้เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนใจจากปุถุชนเป็นผ้าเรียเจ้าเปลี่ยนใจจากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้ใจของเขาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเบื้องต้นเสร็จแล้วพระองค์ค่อยเปลี่ยนใจจากความไม่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาเปลี่ยนจากใจที่เขาไม่มีความเพียรให้เป็นใจที่ประกอบด้วยความเพียรใจที่ไม่มีสติพระองค์ก็ แปลให้มีสติใจที่ไม่มีสมาธิพระองค์ก็ทําให้ตั้งมั่นใจที่ไม่มีปรรัญญาพระองค์ก็สอนทำเพื่อให้เกิดปรรัญญาพระองค์จึงให้ให้ศรัทธาแก่สัตว์ทั้งหลายให้วิริยะให้สติให้สมาธิแล้วก็ให้ปัญญาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์จึงไม่ใช่เป็นพวกที่พยายามทําตัวให้คนเนี่ยลุ่มหลงงงวยไปลักษณะนั้นบอกอันนั้นไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราฉะนั้น พระองค์เนี่ยจึงเกิดมาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่แก่สัตว์จริงๆเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ร้องเรียกศรัทธาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างเดียวแต่พระองค์ร้องเรียกให้เขามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะถ้าเรามีศรัทธาต่อพระองค์แล้วจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยบอกอะไรเราเนี่ยนะเพราะคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่โง่เขลาหลงงมงายอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกทุกเรื่อง กล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาเราทั้งร่างกายและชีวิตกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมช่วยปกปัก ร, รักษาประโยชน์ให้เราได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งช่วยป้องกันทุกทโทษป้องกันภัยในอบายนะพระองค์เนี่ยช่วยกําจัดภัยทุกโ ท, โ, ท โ, ทโทษโดยประการทั้งปวงให้แก่แก่เราทั้งหมดเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องอย่างว่าเราก็ต้องมอบไว้ความวางใจให้กับ พระพุทธเจ้าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรมีพระปุบพ้จริยาคุณอย่างไรพระองค์มีพระสรีรคุณเป็นอย่างไรพระองค์มีพระพุทธคุณอย่างไรพระองค์มีพระพุทธกิจอย่างไรและพระองค์สอนทำทำไมอันนะพื้นฐานความเข้าใจอันนี้ต้องให้ดีไม่ใช่แบบแม้เริ่มใส่เชื่อเชื่อโอ้เชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็บอกว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อว่าอย่างไง ไม่รู้เหมือนกันขอเชื่อก่อนก็แล้วกันอย่างงี้ยนะถ้าอย่างงี้มันก็ความเชื่ อ, อ น, นี้ไม่นานหร อ, อกเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเนี่ยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจพันความเลื่อมใสที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจนั้นจึงเป็นความเลื่อมใสที่ไม่เปลี่ยนใจเพราะเข้าใจเนี่ยนะภาษาไทยเนี่ยจริงๆมันคําว่าเข้าใจเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็ลงตัวแปลว่าเข้าถึงใจมันไปอยู่ในใจเสร็จแล้ว นะนศรัทธาที่อยู่ในใจปัญญาที่มันอยู่กับใจมันติดกับใจไปตลอดอะนะเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปบางคนคนที่ตาดีเนี่ยมองเห็นรูปฉันใดคนที่มีปัญญาเห็นคุณพระรัตนตรตยก็ฉันนั้นศรัทธาของเขาจึงมั่นคงเนี่ยนะศรัทธาของเขาจึงมั่นคงทบทวนมาอีกครั้งว่าการเจริญศรัทธาเนี่ยต้องย้อนกลับมาศรัทธาของเราเนี่ยที่ยังไม่เจริญก็ขอให้ เจริญขึ้นไอ้คำว่าเจริญนี่ยแปลว่าอะไรเจริญเนี่ยแปลเป็นภาษาเขมรนียเจริญเนี่ยนะแปลว่ามันโตขึ้นเจริญนี่แปลว่าโตเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเช่นเจริญเมตตาก็คือทําให้เมตตาเนี่ยเติบโตยิ่งขึ้นเจริญศรัทธาก็ทําให้ศรัทธาเนี่ยเติบทั้งเติบเนี่ยนะเติบแปลว่าใหญ่ใหญ่โตอ่ะเติบกับโตมีความหมายเท่ากันเติบเป็นภาษาอีสานนะนะโตเป็นภาษาภาษาไทยเนี่ยนะ เติบโตก็ทั้งเติบด้วยทั้งโตด้วยก็โตขึ้นโตแค่ไหนลหีล่ะเโตเท่ากับว่าคู่ควรที่จะเป็นอาจฉรศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาที่เป็นปริตะพัฒนาเป็นมหากตาตลอดจนถึงอัปปมาณะสัทธาแม้แต่อัปปมาณะ ศรัทธาระดับโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลศรัทธาของพระโสดาบันศรัทธาของพระสะกท า, าคามีพระนาคามีตลอดจนถึงศรัทธาของพระทหารเราก็จับประเด็นว่าการเจริญศรัทธาทํำยังไงให้ศรัทธาเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปถ้าพูดแบบสัมนวนง่ายๆก็คือทําอย่างไรหนอศรัทธาที่ยังไม่มีก็ให้มีขึ้นศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้บ่อยๆขึ้น ให้มีศรัทธาบ่อยๆศรัทธาที่มีบ่อยแล้วทํายังไงมันมีคุณภาพานะนะฝนนี้ตกบ่อยแต่ตกแบบกระปิดกระปรอยอย่างี้ดีไห ม, มต้องตกแบบหมบยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นแบบเป็นชั้นใดศรัทธาก็ขออยากให้มันบ่อยๆแล้วก็มันตกได้เนืองนิจจนชุ่มไปด้วยศรัทธาเป็นมีศรัทธาที่เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นศรัทธาเราจะร้องเรียกเอาจากใครดีก็จากใจของเราและทํำยังไงใจของเราจะมี ศรัทธาเคยอวยพรให้ตัวเองมีศรัทธาเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปไหมสวดมนต์ทุกวันนะยในในตอนท้ายบทนี่เขาว่าไงขอให้ข้าพเจ้ามีอะไรบ้างอันนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริเนี่ยนะศรัทธาสติหิริโอตตปะความเพียรและขันติเป็นต้นแต่จริงเราก็สมาธานแต่ว่าสมาธานอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันดีน้อยไป เ่รนะาะบางทีอาจจะสมาทานแค่วันละครั้งแล้วก็ว่าแบบแหมมันเยอะเลอกเกินเลยนะต้องเอามาว่าเป็นทีละเรื่องเหมือนกันนะบางทีขอให้ศรัทธาของเราเนี่ยนะเลื่อมใสผ่องใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนะี่ยต้องหมั่นตั้งแบบนั้นบ่อยๆแต่การสมาทานศรัทธาเนี่ยน ะ, อ, ะอีกศัพท์หนึ่งที่เป็นโวหารเป็นถ้อยคําที่ใช้แทนกันลักษณะว่าตัวเองสมาทานศรัทธาจริงๆก็คือเนี่ยสารณคม พุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าสมาทานให้มีศรัทธาว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นผู้กําจัดภัยเป็นผู้ช่วยปกปักรักษานําหน้าไปทุกเหตุการณ์และสถานที่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะอันนี้ด้วยด้วยกล่าวคําสารณะขมในยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอะไร นอบน้อมเช่นนะโมตพพัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะด้วยการนอบน้อมก็แปลประกาศว่าเป็นการเจริญศรัทธาของเราเหมือนกันขอนอบน้อมนอบน้อมนั้นหมายถึงว่าเรานั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าคําว่าศรัทธาเนี่ยไม่ใช่งมงายนะศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสแปลว่าผ่องใ ส, ลงใสแล้วก็สบายใจไม่ใช่ทิฏฐิถ้า ง, งมงายงมงายแล้วก็ลุ่มหลงหมกมุ่นนี้นะนั้นเป็นทิฏฐิ แต่นี่เป็นความสบายใจเนี่ยนะนอบน้อมด้วยความสบายใจคือคือหมายคือว่าเรื่องอื่นหนักใจมากานอบน้อมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็สบายใจเจริญศรัทธาตัวนั้นเนี่ให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ศรัทธานี้มีกําลังนะนะเพิ่มพูนคุณภาพเนี่ยนะเพิ่มพูนคุณภาพให้เติบโตมั่นคงและ แข็งแรงด้วยการหนึ่งนอบน้อมเนี่ยนะจริงทุกครั้งที่เราณนะโมตสะพะควะตโอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะทุกครั้งจริงๆถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องก็คือการสมทานศรัทธาให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไปําคำว่านอบน้อมหรือว่า อารหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธัง พ, พระขวันตังอภิวาเทมิคำว่าอภิวาสข้าพเจ้าขออภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าหรืออภิวาสพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือการเพิ่มพูนตัวศรัทธาให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาก็พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือสมาทานเจริญศรัทธาให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่สอง การเราตั้งนะโมตัสสะพระค w o r โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้ก็เป็นการเจริญศรัทธาของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต่อไปอิทธิพุทธังสารนังคัจฉามิก็เป็นการสมาทานศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่ทีละครั้งสมาทานแต่ละครั้งไม่ได้ว่าคําเดียวแต่ว่าอย่างน้อยสามครั้งพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิต นนพระธรรมและพระสงฆ์ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแปลว่าพูดแล้วเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพราะทุกครั้งที่เราแม้กระทั่งอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเรียกว่าจเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการจเจริญศรัทธาให้ศรัทธาของเราเนี่ยกระจายฐานแห่งศรัทธาให้ศรัทธาเนี่ยกระจายกระจายออกไปในด้านพระพุทธคุณคือตั้งแต่อรหันตคุณ สัมมาสัมพุโทโธเรียกว่าสัพพันญูเนี่ยนะวิชาจารณะสัมพันโนถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุโทโธพระขวาทุกคำเนี่ยให้ศรัทธาไปประดิษฐานกับทุกๆุกบทในพระพุทธคุณเหล่านั้นศรัทธาก็แผ่ขยายไปยิ่งขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ใช้คําว่าข้าพเจ้าขออภิวาสพระอรหันเราก็มามาเขากราบไหว้ พระอรหันต์ขอกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนบางทีขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ขออภิวาทแด่พระอรหันต์หรือว่าขอถึงพระอรหันต์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าก็เป็นการเจริญศรัทธาให้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปนะขอให้เรามีศรัทธาในพระอรหันต์นะะหรือาขอถึงพระอรหันต์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า นะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะคือวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระสุขโตพระสุขคตผู้เสด็จไปดีแล้วว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนะ อนุตโรเนี่ยนะผู้ที่ทรงคุณไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าสาธาปุริสธรรมสารถิพระผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติที่นิ่ง น, นวลเป็นต้นเนี่ยนะขอถึงพระผู้ฝึกบุรุษปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะผู้ฝึกบุรุษว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าหรือว่าขอถึงพระ ศาสดาศาสดาแปลว่าผู้พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากวัตทุขพ้นจากสังสารทุกข์หรือผู้ที่แนะนําประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถึงพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์นั้นว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าหรือว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ทางสาราาานังคะฉามีว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปใน เบื้องหน้าแล้วก็ถึงพระขวาขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าทุกคําที่กล่าวไปก็เป็นการเจริญศรัทธาหรือว่าขอถึงพระตถาคตว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าหรือถ้าเวลามันจํากัดเนี่ยนะก็อาจจะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะคนสมัยก่อนนี่เขาเข้าใจจริงๆเลยนะเขาเข้าใจแล้วเขานอบน้อมเขามีความตั้งใจมากมเป็นภาษาของเขาอ่ะนะเป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะคนสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นภาษาของเขาเขาเข้าถึงทุกคําเลยเนะี่ยเขาไม่ต้องกรบอกว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเนะี่ยพูดแค่นี้เขาก็รู้เรื่องเลยนะหรือถ้าเพิ่มพิสดารก็ขอนอบน้อมหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นพาะอหานไกลจากกิเลสปรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ผู้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรม หรือว่าขอนอบน้อมแด่อิติปิโสพระเขาวานะอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระขวารตินั้นทําำยังไงให้เกิดขอกเป็นความนอบน้อมของเราที่มีต่อพระองค์ความเลื่อมใสของเราที่มีต่อพระองค์เมื่อวานก็ถามไปครั้งหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะได้ดีขึ้นใช่ไหม พูดอย่างงี้น่ะแม้เรานับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นและพระองค์ก็ได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรานับถือน้อยท่านก็เสื่อมเป็นต้นบอกไม่พระองค์ก็คงเป็นพระองค์เช่นเดิมก็เหมือนกับว่าเปรียบยบ่อยๆอยู่ว่าถ้าเราตาสว่างเท่าใดดวงอาทิตย์ก็คงส่องสว่างตามเดิมเราตามืดเราตาบอดดวงอาทิตย์ก็สว่างตามเดิมเราตาหยีตาตีตาเลตาเลือกตาเป็นต้อต้อหินต้อกระจกต้อลม ถ้าดวงอาทิตย์ก็สองเท่าเดิมแหละถ้าเรารักษาตาได้ทรงใสมองเห็นชัดเท่าใดดวงอาทิตย์ก็สองอยู่เท่าเดิมเพราะถึงความคงที่ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่คงที่มีปัญญาคงที่ฉันนั้นไม่มีใครทำให้ศรัทธาของพระองค์เสื่อมไม่ไม่มีใครทำให้วิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นของพระองค์เสื่อมลงเลย คือสรุปว่าไม่มีใครแกล้งทําลายศีลพระพุทธเจ้าได้แกล้งทําลายสมาธิแกล้งทําลายปัญญาทําให้พระองค์หลงงม ง, ง, งายให้ดื่มเหล้าซะจะได้โง่ไปหมดเรื่องอะไรเงี้ยนะบอกไม่มีเป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะถึงที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าถึงที่สุดเกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถึงที่สุดมีศีลถึงที่สุดมีสมาธิถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุดเรียกว่าถึงฝั่งแห่งอภิน ญ, ญาถึงฝั่งแห่งการรู้ยิ่งธรมที่ควรรู้ยิ่งเงีนะ อภิญยาปารครูถึงฝั่งแห่งความรู้ยิ่งธทรรมที่ควรรู้ยิ่งปริญญาปารครูถึงฝั่งแห่งการรอบรู้กำหนดรอบรู้ในธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ทั้งหมดทั้งสิน้นพระองค์ถึงฝั่งแห่งการละบาปอากุศลละกิเลส ท, ทั้งหลายที่ควรละอย่างยิ่ง โรงถึงฝั่งแห่งการทําให้แจ้งอากุปาเจโตวิมุตต์ทาให้แจ้งวิชาวิมุตต์ทาให้แจ้งวิชาสามทําให้แจ้งสามัญญผลสี่ทำให้แจ้งธรรมขันห้าทำให้แจ้งอภินญาหกทาให้แจ้งถึงเราว่านิทสศวัตถุเจ็ดทำให้แจ้งวิชา8ปดทำให้แจ้งอนุปุทธวิหารสมาบัติกําให้แจ้งอะเสขาธรรมสิทธิเนี่ยนะฉนั้นคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยอันหาที่สุดไม่ได้อันหาประมาณไม่ได้ไม่มีผู้ใดไปลด ลดลดน้อยหรือสิ่งที่ควรเจริญพระองค์เจริญเสร็จสิ้นแล้ว